ขึนนี้แล้วก็ขึ้นแรกที่เด็กีนยกินนครับช่วยช่วงช่วงเลยมั้แต่ม่อยากบอกลับมาครับอ่ากลับมาครับมาความจริงถ้าจะเรียนแต่รูปแบบนะแบบถห้สำเร็จประโยชน์ไปเลยเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะครับเรียนหมือกับที่เราเรียบาลีเลยยิงจังๆเป็นอย่างนั้นเลยนะ ไปท่องไปทวนดูนะครับการงานอรหน้าดูอะไรอย่างนั้นนะถ้าจะเรียนบาไฮเส้นประโยชน์จริงๆนะบาไไม่ต้องหลายรอบแค่รอบสองรอบแล้วก็ออกไปใช้ได้เลยคือมันต้องแบบเปรี้ยวๆอย่างงั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลามเรียนวิัยเนี่ยเราไม่ก็ได้แบบเน้นอะไรเยอะขนาดนั้นใช่ไหมนะครับมันก็เลยแบบต้องหลายรอบหน่อยครับแต่ทีนี้ทเราจะทําอย่างนั้นได้กรณีไหนกรณีที่มีหลักสูตรนะหลักสูตรพ้นใส่นะ นี่ก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราออคนขวยทําอย่างงี้นะครับนี่ในการค้าเนี่ยเพว่าถ้าไปซสอมจริงนะดูจากนักศึกษาของรุ่นนี้แล้วนะอู้หูไม่ไม่เหลือบากอะไรนะครับ <c oughs> แค่เรามาติวมาแกงกันง่ายมามาติวกันนะครับซิลให้ตรงไหนที่เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องจต้องใส่ใจให้ดีใช่ไมลืมไมให้ดีนะครับแล้วก็มาถาทุบตุ้มไปแต่ละตอน <c oughs> แต่ละตอนนะอู้หูไปผมมีปัญหา มีเสุภามีสังมเป็นหาสบายนะครับแต่นี่ยังไม่มีเวลาจะได้เวลาทําอย่างอื่นแล้วนะครับว่าแล้วแต่นะแล้วแต่โอกาสก็แล้วกันถ้ามีโอกาสก็ทำนะครับเดี๋ยวรอดูอาจารย์จะส่งอันนั้นหลัสูตรพ้นที่ใสมาให้นะครับให้มันดูชัดเจนมากกว่านี้นะเราจะดูว่าท่านจะทํายังไงนะครับจะเปิด้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับ อาจารย์บว่าทำแล้วมันยังไม่ละเอียดครับผมเด็กทำมาก่อข้าวข้างครับทำแล้วมันแ้วอาจารย์ถามมีอีเมลไม่ส่งอีเมลไหมทางอีเมลผมก็ไม่ถ้าว่าถ้ า, ถ, าถ้าต้องการใบใบนะ่ะแต่ว่าไม่ได้รีบอะไรคนระับถ้าจะทําทเป็นหนังสือเลยแล้วก็เขียนที่บ้านปลูกศรัทธานะครับทําเป็นอะไรรูปเรื่อง่งดีเลยนะแล้วก็บอกหลักสือว่าต้องมีอะไรยังไงบ้างนะครับและประเดี๋ยวกันไม่ใเป็นตองนี้ท่านก็ได้ท่านบอก ในในวัดของเราแหละนะครับคอยมาตามหลังสือนี่ก็แล้วกันนะแล้วก็มาสอบนะครับไนดะก็พี่ครูพี่คุนีท่องให้ได้จะพะนิสัยนะครับตรงนี้ไม่ได้อะไรนะคล่องปากขึ้นใจเลยนะครับตา ย, ออยป ล, ายลยนะวินิจฉัยได้ดีนะเข้าใจด้วยนะครับม่ใช่ว่าท่องได้เรียนต้องวินิจฉัยได้ด้วยนะอันนี้หมายถึงแค่พอนิสัยนะพอนิสยัยภาษา5แล้วก็ได้พวกนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นครูบาจารให้นิสัยได้นะ แค่ทองปิคุปปิคุนีปฏติโมกแค่นี้ยังไม่พอไม่พอนะครับต้องท่องคําอธิบายปิคุปปิคุนีปาติโมกเครีย ว, ว่าวิพังครับวิพังทั้งสองนะอุปโต ว, วิพังคือท่องคําอธิบายของปิคุปปิคุนีปฏติโมกทั้งหมดนะครับมันก็จะได้ปไตยวิโดกในยสองเล่มที่เป็ภาษาเล่มใหญ่ๆนะนั่นเลยนะครับต้องได้ขนาดนั้นนะครับถึงจะให้นิสัยได้นะั้นะมันจะธรรมดานะครับหายากนึะ รู้สึกมันก็มีสองเล่ ม, ม, ะมนะรมอว่าเล่มเดีย ว, ยะใใวอะไรนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่ภาษาต้องได้สิธ์นะ <c oughs> แล้วก็ท่องนั่นได้วิจิไชในอะไรได้นะ <c oughs> แล้วมีความรู้ทำมั่งด้วยอย่างนี้ได้ได้มีปัญหาได้นะ <c oughs> มีมีมันมีนะ <c oughs> ขนาดตอนไปวัทํามโออาจารย์ยังให้ได้ แต่ยังไม่ห้าหมู่ก็ยังให้หหมึงก็ส่งนะครับจนส่งบาลีใหญ่นะสี่คอมพีแหละแล้วก็วินัยการู้อภิธรรมก็ได้แต่เขาจะแนนที่บาลีนะนี่ภาษาบาลีบัญกัติเนี่ยเยอต่อไปนะครับกัมมากัมมามาดูในอุวสุวิธีนะครับ หน้ากนี่ใช่ม้อยก่อนใช่มั้ยเข้อที่51บนะครับ<ม>บันพชิษพึงกระทาความสาเนียกว่าเราจะไม่ฉันดังสู้สส 52. บสองันชิษพึงกระทาความสาเนียก ว, ว่าเราจะไม่ฉันเรียมือ53าสิบสามบันชิษพึงกระทาความสาเนียก ว, ว่า เราจะไม่ฉันขอดเขียในบาถ้าข้าวเนลือน้อยจะกว่ารวมกันได้ห้าสบสี่รรพชิตพึงกระทําความสําเนียกว่าเราจะไม่ฉันเรียลินมรีปากห้าบหบรรพชิตพึงกระทําความสําเนียกว่าเรามีเปลือกอามิต์ <c oughs> ขันน้าจะเป็นของสง์ ของบุคคลหรือของคิหัสก็ไม่ควรทั้งนั้นแต่ถ้ารับด้วยตั้งใจว่าจะล้างเองหรือจะมอบหมายให้คนอื่นล้างแทนได้อยู่ห6าสบหกบรรพชิตพึงกระทำความสังเกยว่าเราจะไม่เทน้ำล้างบาทที่มีเมล็ดข้าวในระแวกบา้านสาวข้าวออกเทเฉพาะนะ หรือเคยี่ข้าให้เหลวแล้วค่อยเทหรือเทใส่กระโถษแล้วนำไปทิ้งข้างนอกได้อยู่ห้าสิบเจ็ดบนพชิตพึนกระทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนมีร่มในมือที่ไม่ได้เป็นไข้จะกั้นอยู่หรือถือไว้เฉยเฉยก็ตามถ้ายังไม่ปล่อยจากมือ ก็แสดงธรรมให้ฟังไม่ได้ทั้งนั้นเอาอันแคนก่อนครับแค่นี้ก่อนน่าจะแค่ห้าสิบหกนี้ก่อนนะเพราะว่าตั้งแต่ห้าสิบเจ็ดเนี่ยจะเป็นเกี่ยนเรื่องการแสดงธรรมนะครับเกี่ยนเรื่องการฉันก็มาถึงแค่ห้าสิบหกซู้ก่อนนะครับซู้นี่มายากนะครับเราจะไม่ฉันดังซู้เวลาโซน้ําแกงนะพวน้ําแกงหรือว่าซุปอะไรต่างๆนะรัไม่ได้นะครับ แล้วก็เราจะไม่ฉันเลียมือแม่นิ้วเดียวก็ไม่ได้ครับนิ้วเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าในเศรษฐีิปอเนียนะเลียนิ้วที่สอดเข้าไปแล้วในปากได้หมายว่าที่เขาใช้มือฉันใช่ไหมแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ฉันใช่ไหมครับลิ้นมันาจะโดนมือบ้างอะไรบ้างนี้ไม่เป็นไรนะครับมันไม่เป็นอะไรเขใช้มือฉันนะได้ครับจําจะเลียมากข้างนอกที่เลียน้ำผึ้งงั้นหรือเปล่านะไม่ได้นะครับ <c oughs> เสร็จนะครนะครับต่อไปนะครับอะไรเนี่ยเราจะไม่ฉันขอดเขี่ยในบาทใช่ไหมบางคนก็หูเสียงดังกลีเกลีที่วาเขาดั ง, ด, ง, ด, งดังจัดอ๋อดังจัใช่ไหมครับดังมากไปหน่อยใช่ไหมครับืมไม่คก็ได้ใส่ใจนะหรือว่า ด, วดังแถวหลังหรือเปล่าครับ อ๋อแ ถ, แ, ถแถวหนัง้าไน่ไม่คก็ได้ยินนะนะครับว <c oughs> ขวานกันใหญ่เลยใช่ไหมคือการคือกลางนะงั้นต้องระวังนะครับไม่ได้นะต้องระวังเลยนะครับฉนบันในบาทนะต้องระวังแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจ้งใจไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าข้าวมันเหลือน้อยแล้วนะครับก็กวานมานะตอนอบมารวมการนี้ได้นะครับเป็น อืครับอืมครัรู้รู้สึกว่าจะทำตาผมนี่อครับครับครับโอ้ถ้าเป็นสายป่านี่ไม่ได้เลยนะถ้ามีเสียงดังอะไรนี่ไม่ได้เลยนะครับแม้ฉันอาหารนี่เข้าจะไม่เคี้ยวมีเสียงดังนะนะครับผมก็เลยถามเพื่อนแอดถ้าฉันแคบหมูมันก็ต้องดังพี่าำยังไงข้าวหม้อก็ต้องแช่น้ําก่อนครับงี่เขาจะไม่ให้ดังเลยนะเข้าขนาดนั้นหเลยนะครับถ้าถ้าสายป่านะ อย่าว่าแต่ขูดเขี่ยแล้วมันจะไม่มีขูดเขี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแม้แต่เคี้รวก็จะไม่ให้เสียงดังนะครับเท่าขนาดเลยนะอืมครับี่งมีด้วยครับยังไม่ถึงกระจับจับเัใช่ใช่ครับอาจารย์แล้วมาขื่ออะไรนะครับมาขือป๋อมมาขื่ออะไรนบมันก็ดงอยู่แน่ เไม่ใช่ไม่ไเป็นอาบัต น, นะครับพูดถึงพูดถึงผ้าฝ้ า, ายเฉยที่เป็นอาบัตคือจับจับซู่ๆอย่างนี้ไที่เป็นอาบัต น, นะครับอันนี้แล้วก็ขูดบาดใช่ไหมมีเสียงดังขูดบาดนี้นะครับแต่ว่าคี่ยอาหารมีเสียงดังมันดังอื่นๆใช่ไหมอันนั้นไม่ได้เป็นอาบัตพูดถึงเฉยนะครับว่าถ้าผ้าฝ้ายเขาจะไม่ได้เลยเขาจะไม่ดังเลยขเราแคบหมูมก็ดังสิครับอยู่ในกล่องนะเป็นกล่อง น, นะ ไม่เป็นไรนะไม่ดังใช่ไมเราไม่ได้ตั้งใจให้กลานเราไม่ได้ตั้งใจถ้าเราไม่ได้ตั้งใจกอนกอนะก้นตอนที่ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมอต่างงั้นเราไม่ได้ตั้งใจให้มันดังไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร มันจะดังผมก็เป็นนะผมก็คิดว่าไอ้ผมอ่ะแค่เราไม่ตั้งใจให้มันดัง <c oughs> ครับครับมันต้องดังของมันอยู่แล้วครับต้องของมันแล้วถ้าไม่ตั้งใจมันจะอะไรนะครับต่อไปนะครับ เ, เราจะไม่ฉันเรียนดิงสีปากข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได้นะข้างนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้แต่ถ้าว่าใช้เมมเอาใช้ปากเมมก็ได้ข้าเติดหนี้ใช่ไหม อืมอไม่มปเปล่าไดไม้มีปัญหานะครับก็จะเลียที่มาเลยไม่ได้นะเลียขึ้นมาเลยไม่ได้ไ ม, ม่เอาได้นะครับอันนี้นะครับจะบอกว่าแปลงนะถ้าเป็นยาคูแค่นแค่ข้าต้มที่มันแค่นแข่ข้นๆหน่อยนะสามารถที่ขอดบาดได้แปลงนะครับถ้าเป็เข้าต้มแค่นแค่สามารถขอดบาดได้แล้วเลียลิ้นสีปากก็ได้แปลงเไม่สเสกยาทิปนีน่าจะเอ า, าจากในดีการนะครับ ผมว่าถ้าเป็นข้าวต้มแค่นนะให้ขอป้านเรียมสีปะกได้นะครับแปะตรงนี้นะ <c oughs> ต่อไปนะครับเรามีปุ๋ย อ, อาหารใช่ไหมจะไม่รับขันนะำคือจะไม่จํานะขันน้ําแก้วนะ้ำสแตนเลสเป็นแก้วอะไรก็แล้วแต่นะั่นไม่ได้แม้จะเป็นของตอนเองนะครับของสงของบุคคลของโยมอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับแม้แต่ของตอนเองก็ยังไม่ได้เลย ก็เป็นของที่เป็นสิ่งที่น่าเกียดใช่ไหมเป็นปฏิคูณแก้ก็จะเปิดผ่านนะครับไม่ดีแต่เราใช้ว่ามือมือนะส่วนที่ไม่เปื้อนจับได้นะครับสมมติว่าที่เหลือเปื้อนมาเลยทำไม่ดีล่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่เปื้อนใช่ไหมสอดตรงนี้เข้าไปไหนก็ได้นะครับหรือเราจะนี้เหล่อะไรก็ได้ไม่มีผ่านนะผ่านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหนีขึ้นมาเนี่ยนะหนีมา อแต่นะครับอยากที่เพื่อนจับกันแล้วกันแต่ว่ามีพิเศษว่าถ้าเราตั้งใจว่าดีเราก็จะล้างเองใช่ไหมครับถึงเพื่อนเป็นไรไเราจะล้างเองหรือว<า>่าที่หลือวใช้สื่อล้างให้นะครับอย่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอะไระครับโอ้ยงั้นเลยเนอ <c oughs> มันดูไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> เอาเอาปากเอาปากห้ามเลยใช่ไหมเอาปากห้ามเลยไม่ค่อยดีนะครับ ไดีเท่ทีาถ้ามึงเราเพื่อนจะว่าเราเอาเ อ, าอื่นมาลองไปกอดไว้จำได้ครับได้นะครับัขนาดที่ชูใช่ไหม<อ>ก็ได้ไดไม่เพื่อนแก้วน้ำใช่ไหมแล้วมันได้ได้ได้ได้ได้ได้แต่พอเราทําใจว่าอนนี้เราก็จะไปล้างเนี่ยก็ได้นะทําใจก็ได้เป็นไรแต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็ไม่จํานะถ้ามึงเพืเ่อนนะมันจะเปิดปากยิง่งเพื่อนแล้วไปจําแก้วน้าโห้ย ดูแรอะไรนะครับไม่ดีเลยเสียบมุ้งจะใช้ตัวนี้นะร่วงเข้าไปนะครับนาดที่ช่วยก็ต้องระวังให้ดีนะครคุยมันเยอะนะมางทีมันลงไปในอาหารลงอะไรนะอีกครับผมจะระวังให้ดีเวลาจะแก่ยึดเช่นมือนะต้องไกลๆไกลๆจะอาหารหน่อยนะครับถ้าเป็นอาหารที่เราแก่ถุงแล้วนะเดี๋ยวคุยมันจะลงไปนะครับมีปัญหาอีกนะท่านนั้น ไม่เห็นก็ไม่เอาคคต้องมาละเอียดมากนะแบบเป็นอนุปรมาณูน้นำเอานะครับต่อไปะครับเราจะไม่เทน้ําล้างบาทีท่มีมเม็ดข้าในแระเบา้าบ้านเนี่ยไปฉันในบ้านเลยใช่ไหมสมัยก่อนนะแล้วก็ล้างบาเองนะครับก็จะไม่ในบาต์นั้นมันมีอะไรนะั้นไม่ข้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะไม่เทลงไปในระเบา้าบ้านวิธีทำนะทำยังไงถ้ามันต้องล้างบานใน้วแบา้าบ้าน เคยไปตอนที่เคยพักที่บ้านโยมนะครับบ้านถิ่งระเบียมนะก็ออกมาบินท บ, บาตกันนะเขาเป็นเป็นบ้านเขาแต่เขาทําเป็นมนิธิให้พักเขาเป็นพักได้นะครับก็จะมีคนมาดูแลนะเรื่องอาหารครับแต่พ้าบิณฑ บ, บาตแล้วก็กลับมาพักเป็นกุฏิเป็นอะไรให้อยู่นะครับแล้วทีนี้เวลาฉันเสร็จแล้วก็ต้องล้างบางสนั่นนะนั้นเป็นระแวาบ้างอะไรนะครับวิธีแก้คือทําไง สาวข้าวออกเทจากพ่อน้ํานะครับเอาข้าวหมดเลยนะครับแล้วก็โหลาบานเนี่ยเทจากพ่อน้ําทิ้มนะครับนี้นะแล้วก็ไอข่าวเหลือทอําังไงก็ขยาให้มันปนค่ะเอันั่นก็ได้วิธีหนึงนะครับค่าวทีกเหลือก็ค่อยใส่ถังขยะใช่ไหมก็ใส่ถุงรวมกันนะครับกว่าใส่ถุงรวมกันให้มันหมดนะใส่กระโถนนี้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเทสั่งลงไปไม่ได้ใส่กระโถนใส่ขย่าาอยะงี่นะถางไป รหรือว่าขยี้ข้าวให้เหลวเป็นน้ำเลยนะครับแล้วก็เทลงไปได้นะครับจะอะไร ห, หรือเทใส่กระโถนใช่ไหมแล้วก็เทใส่กระโถนหรยงแยกออกมาเทใส่กระโถนได้ครับและหนอนไปทิ้งข้างนอกได้อยู่ครับให้โยมรักให้ได้ได้ครับสบายนะอันนี้เราไม่ต้องมีผ้าโยมรักให้ตมาหน่อยคนนี้คุ้นเคยใช่ไหมเป็นยญ้าตัวนะ้ำพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เราใช้งานได้ครับเราไม่ได้ขออะไรนะได้อยู่ แต่หน้าผาเยอะโย่เขาม่ล้างให้นะครับให้เราล้างเองเราก็จะหาวิธีเอานะก็ที่ทำก็คือกวาดเล็ดข้าวเสร็จอาหารทั้งหมดใส่ไว้ในถุงใบนึงนะครับใส่ไว้ในถุงแล้วก็จล้างแต่หบาทนะครับไม่มีเมล็ดข้าวนล้วแต่เศษที่เหลือแล้วนั้นทั้งถุงใช่ไหมก็ค่อยไปใส่ขยะไปครับแค่นี้ีแค่นี้ครับกลับมาดูเอิ้นมัน ยัดมาจากกราชัปกีเยอะมากเอา่ายๆที่บายาเนี่ยโดยสมัยนั้นตอนนี้ไม่ใช่ปราชพักขีแล้วนะครับเ ม, พพมื่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าโคสีตาราเขตพระนครโกสัมพีครั้งนั้นพรามคนหนึ่งปรุงปาาะน้ำนมนี่ห ร, รือไม้ดีนะนมก็ไม่ได้นะ <c oughs> อาว่าจะพยาพยามทายมีเสียงดังกันลกันนะชอไม่ได้นะเพราะว่ น, นี่เาดื่มนมกันเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าจะรู้ว่ามีเสียงดังแล้วก็เรี่ยงกันแล้วกันนะครับอนนั่นะเนี <c> ่ย <oughs> ปรุงปานะน้ํานมถวายพระสงฆ์นะครับพิสูจทั้งหลายซดน้ํา น, นมดังซูดๆนะครับค้ร <c oughs> า, า <c oughs> เอาหลอดดูดดังไงนะ <c oughs> อะไรหอดหลอ อ่ามันจะกรอกออกมาเนนะมันก็ไม่ซุดๆนะครับอันนี้ก็ซุดๆนะอ่าตามสามยนะซ้ดๆคือซุดๆแะมันกัว่าซน้าแกงนะห็นชั้นนะครับเปลนที่ปากทุบีปากท่่ทุบีคนกท่านก็ไม่ได้บอกถ้าเอาเสียงอะไรครับผมเชั้นอาหารนะครับเสียงดังซุดๆนะครับ นะครับบอกว่าเนี่นะพี่สุทั้งหลายซดน้นํานมดังซุบซู่หลายรนะูปนะผสมกันนะครับดังซุบซู้เลยทีนี้พิ่สุรุ่มหนุ่มเคยเป็นนักฟ้อนลั่มนะครับกล่างขึ้นอย่างนี้ว่าคือถ้านประสงค์จะกล่าวล้อเลียนพระสงฆ์นะว่าชลอยพระสงค์ทั้งหมดนี้อันความยนรบ ก, กวนแล้วนะครับที่ได้ทำเสียอย่างนั้นนะครับหลัถูกความยิ่งรบกวแล้วนเนี่ยบรดาพิ่ษุที่ยังพูดมากน้อยสันโดษจังก็แเพงเทนิดเดียวขอทนานว่า ฉะนั้นพิสุจิได้พูดปาลบพระสงฆ์เล่นเล่าแล้วการาบมุนนั่นแหละมุณมาภาเจ้าพระดวงก็ทรงสอบถามพิสุจินั้นทรงติเตียนนะครับ <c oughs> แล้วก็ ท, ทรงทำธรรมกถาเล่าสั่งกับพิสุจทั้งหลายว่าดูกรพิสุจทั้งหลายอันพิสุจิทั้งหลายไม่พึงพูดปาลบพระพูธพระธรรมหรือพระสงฆ์เล่นนะครับรูปใดฝ่าฝืนตั้วบัตุกฏนะครับไม่ได้นะจะมาล้อพระรัตนะตรยัยนี่โอ้เล่นของสูงเลยนะครับ บาปกํามเลยนะพูดล้อเลียนพ่ ะ, ะนั่งใจพูดทําประสงค์นะครับไม่ได้ท่านก็นยกตัวอย่างอะไรนะถ้า พ, พูดปลอนี่นะพระพูดหินนี่นะครับไม่ได้นะครับพระทำทําอะไรนะนะครับทําอะไรนะ่ะเขาจะไมพูดถึงนะ อ, อโอ้ยว่าหนักอะไรเนรี่ยถ้าทํำคอถ้าทําแพ้นะครับใจล้อเลียนนะัการล้อเลียนนะครับไม่ได้นะครับบาปนะ พระสง์อะไรหมูเนื้อหมูประสุสัตว์นี่นะครับไม่น่าเพราะว่าหมูภาษาบาลีสังฆะหรือว่าวหมูก็ได้นะครับอนี้ผมว่าหมูก็ได้นะครับอะไร <c oughs> มีค่าสังโฆแล้วมันเดียวปัสุสังโฆหรือเปล่าหมูเนื้อหมูสัตต์นี่นะครับไม่น่านะครับเขาเรียพระนัไตร น, นะสอันนี้แต่ว่าต้องบัตรกฎนะครับพเพราะร้องเรียนพระรูปประทำพระสงค์ <c oughs> และพระองค์ก็มีภาษาบนนี้ขึ้นมานะครับเรื่องการฉันดังทุดๆนะอันพิสูจน์ผู้ฉันอาหารไม่พึงฉันดังสุ้ดๆพิสูจน์ดานอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อฉันอาหารทําเสียงดังสุ้ดๆต้องอานวัตถุ ก, กฎนะครับอันาปฏิวานนะครับไม่ใกล้ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจนะมันดุแล้วก็มันดังขึ้นมาเองเนี่ยไม่ตั้งใจไมเป็นไรนะครับถ้าตั้งใจจะให้ดังไม่ได้เผลอนะครับไม่รู้ อาพาณนะมีอันตรายวิกลจริตอาธิกรรมิกาไม่ต้องอาบัตแหล่นะครับเสียดายไม่ค่อยมีใครอะไรนะคอยมันพูดเตือนพูดบอกกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมความจริงน่าจะมีนะเหมือนสายผ้าป่าผ้าอะไรนี้นะครับก่อนอาจารย์นนะต้องฟังทำแต่อาจารย์ก่อน15บห้ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเน้นเรื่องเนะี่ยเรื่องกรรมฐานขนาดชันหน่อยครับไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยเัื่อกรรมฐานขนาดชันด้วยงานขันเกล้นนะ อัดไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แค่นักขนาดกูอยู่เรื่อยๆนะครับโอ้แต่ว่าเสียดา ย, น, ายนเนี่ยของเราไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยได้ฟังนะเรื่างนี้นะครับต้องพูดเมื่อก่อนเราในพูดแต่เปิดพูดในเรื่องการยืมอาหารเยอะอาหารลอยไปยืมเงินไปเหมือนกับการยืนอาหารเนี้ยสองยังนกันอะไรกนเนีย<ข>อยก็เห็นใครติดตล้วไม่ชอบใจแล้วก็จากไปพักผู้ทำเนั้นก็เหมือนกับ เห็นพิสเป็นคอๆไปนะคือไม่ได้ว่าจะใส่ใจใส่ที่วณิการไม่ไช่พูดเรื่องนั้นแต่พูดจะเรื่องอื่นสร้างเทกราดิบคอกเยอะอย่าเงี้เกิดคนเดจเลิกเลืออาหารแบบในในน้นะไม่ได้มาเน้นถึงเสรษฐิจวะหรือว่ากรรมฐานขณะฉันไม่ได้มาเน้นเน้นเรื่องนี้ใช่ไหมครับน้่นึงตังตางมากตางน้อยอย่างเดียวค่เคยแพ้รั้ครัด เสียดายนะเมื่อวผมยังรู้สึกเลยว่าเราเกิดในยุคนี้ยุคนี้เป็นอย่างนี้แหละครับธรรมดามผมรู้สึกว่าเราเกิดยุคนี้อ่ะครับมันเหมือนกับเรื่การเท็ทุมากกว่าเรการวางรีอะไรนะเราเกิดในยุคนี้อาภาพัพอยู่หน่อยนึงถ้าเราเกิดแบบยุคสมัยก่อนใช่ไห ม, มที่เ็ยังแบบเข้มแข็งยนงําวินัยเยอะๆนะครับมีพระเถระครูบาอาจารย์ที่เป็นข้าริยานะ่ หรว่าปฏิบัติทำํำเลขคำต่าง ๆ, ๆนะครับมีการขัดเกลวงนี่นะ<ม>และคอยบอกคอยจี้นะคอยขนามนะเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆนะครับก<ม>็ลเลยเจริญในสนามมากกว่านี้นะครับเด่นโดนถูกตักเตือนถูกอบรมกันอยู่เนืองๆใช่ไหมแต่<ม>จะจะเจริญมากกว่านี้นะครับแต่นี่ก็ได้มาเนี่ยนะอ๋อครับหรือว่าถ้าไปอบรมงั้นนะจริงมีการ อ๋อครับที่อื่นเลยบางทีมันเขาบอกว่าบางทีที่วัดเราเนี่ยเน้นเรื่องเรียนมากไปแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องข้อวัดอัดอัเน้นเรื่องเรียนอย่างเดียวนะแต่ว่ามันไม่ก็ได้เน้นข้อวัดเท่าไหร่นะครับบางทีถึงขนาดเห็นว่าการทําข้อวัดเป็นเรื่องที่เสียเวลานี้ก็ได้นะครับถึงขนาดนั้นเลยครับน่าเห็นขนาดนั้นเลยนะมันก็เลยมีคนพูดขึ้นมาว่า ไม่ค่อได้เน้นข้อวัต น, นะครับเพราะเป็นเน้นเรียนเสียงอนนี้มันต้องคู่กันใช่ไหมอ mm hmm. าจจะไม่จำเป็นต้องเรียนท้อวันเนีะแล้วก็แบ่งเวลาเอานะแต่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่ทำข้อวันนะอะไรนะครับก็ว่าไปัแต่กว่าหอชั้นอ <c oughs> <c oughs> ่านขยะอะไรก็ว่าไปนะนะครับ mm hmm. มีทําข้อวัตช่วงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เรียนนะครับต้องแบ่ง เช้าแ่นั้นแหละความละอาออกมาเลยอะไม่ต้องสังเกตเลยเห็นได้ชัดถ้เยอะอีกก็แด้หมดไม่อยากฟังกันเลยใช่ไับผมนี่ชอบนะเพราะอย่างนั้นแหละมันได้ขนาดได้ขันกลมใช่ไหมครับมันดนกิเลสคนเงี้ยนี่กิเลสไม่เล่าเรอะกิเลสไม่เล่าเรอะอยู่ไม่ได้ ขนาดชวนมาฟังธรรมจารย์โนไทยเนี่ยไม่มาเลยเขาบอกตั้งใจเขาเาตั้งใจที่จะลืมเขาตั้งใจที่จะลืมมาฟังเมืออไม่มีสาระเมืองเขากแล้วแต่คนทีันบาอาจารย์่ขาดกล้วก็หาอะไรยากหายากมากหายากมาก ได้ใช่อัธยาศัยต่างกันใช่ไหมแต่ว่าอัธยาศัยดีนะอัธยาศัยแบบขัดเกลาแบบที่อาจารย์อนุทัยทำนะครับน่ายนะุ่งยลนะเพียงแต่คําพูดบางอย่างนั่นอาจจะตรงตรงไปตรงมาใช่ไหมม่นก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูเราแพ่งถึงไอ้ข้อวัดปฏิบัตินะครับโอ้นั่นน่ารื่นใสนะคนนี้ทำได้นาย่างนะครับไ ม, ม่ควรมีใครทาได้หรอ ขั้นตอนั้นก็ไม่ค่อยได้ยึดติดไม่ค่อยสะสมใช่ไหมการทำเองบุรทำเองบินไปกันอยู่ที่กับตัวเราไม่ใช่อยู่กับคนอื่นอืครรัับบถ้าบอกว่าถ้าเราเห็นว่าดีทําไปเลยไม่ต้องไปมองคนอื่นก็เรื่องข้อว่าปฏิบัติเรื่องการทําต่างๆนะทําไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปมองคนอื่นนะครับถ้าจะนั้นก็แล้วก็ช่าชวยถ้าต้องการที่ก็ทําก็คือช่าช่วยลักษณะว่านรื่องการทำคุณศรนี้ ไปนะครับอะไรตอนถึงไหนล้นี่ <c oughs> <c oughs> ไปไฟไหนแล้วนี่ <c oughs> อ๋อลอลอ้อล้อนะลอ้รรอผนะ <c oughs> ู้ทำมาสองเนี่ยไปนู่นเลยนะหาที่สามแลอนะข้อสองนะครับครั้งนั้นพระเจ้าปณิกีชนอาหารเยี่มือที่งานที่บอกว่า น, นะครับ พิสุดาสายความไม่เอื้ อ, อาารเฟื้อชันอาหารเรียมต้องบัตรทุกกฎนะครับอาาบัตรก็เหมือนกันครั้งนั้นปัจจุบกีฉันอาหารขอดบานนะครับอันนี้คำาอธิบายก็เหมือนกันนะพิสุดาสายความไม่เอื้อเฟื้อฉันอาหารขอดบานต้องบัตรทุกกฎอาาบัตรเพิ่มเข้ามาคือถ้าข้าวสุกเหลือน้อยเนียเน่ยสามารถกว่าขอดรวมกันนะะแล้วฉันได้ลงไปนะครับสามวันทีนิทานครั้งนั้น ป, จปัจจุบัี นะหาเรียนลิมฝีปากนะครับเหมือนกันนะไม่ได้นะครับ อ, อกอไปนะครับข้อนี้ก็ยาวที่ปลายามกันโดยสมัยนั้นเมื่อ พ, พระพุทธเจ้ากระทอยู่ที่สวนสัตว์อ่ เ, อเพสการาวันเขตพระนครสูงสุดมาลาชีะระแขวนพระค้าชนบทครั้งนั้นที่สุดทั้งหลายรับประเคนโอนะคือขันธ์หน้านะด้วยมือแคา่เพื่อนอามิ ในโกกนุธาปราษาทปราษาที่มีสันฐานเป็นดอกบัวนะครับไปชื่อว่าโกกนุษชาวบ้านได้ชาวบ้านบางําแ่มเพ่งต้อนอิเต็มุตนาว่าฉนัยพระสมณเจ้าศาสนาอักรยกุลจึงได้รับประเคนโอน้ําด้วยมือค่าดิบเบื้องอามิตรเหมือนพวกฤาษีผู้บริโภคการเล่าสุดทั้งหลายดินชาวบ้านผู้แั้นเพ่งต้อนอิเตมพุตนาอยู่นะครับบรรดาที่เป็นผู้มากน้อยสันโดษสามารถเพ่งต้อนอิเตมุตนาว่า านายพิทต้องหลายจึงได้รับประเคตโอนะด้วยมือข้างที่เพื่อนอามิตดเล่าแล้วกราบหลวงนันน่นหน่งมาภาคเจ้าพระพุทง ก, ก็ทรงติเตียนแล้วก็มีสิกขาบทขึ้นมานะครับต่ <c oughs> อไปนะข้อหกนะครับท่านพูดข้อพูขึ้นพูดถึงยนาะด้วยสมัยนั้นนพระภาพคพระเจ้ากระทรําอยู่อ๋อรู้แล้วทําไมท่านพูดถึงยางเพราะตรงนี้ไม่ใช่สามวันทีนิทานแล้วนะครับเมื่อกี้เกิดที่ พระนครสูงสูงม马拉คีระอันนี้ก็เกิดใ น, นครับเมืองเมืองเดยกันนะครับโดยสมัยนั้นพิมภาพระพุเจ้าประทับอยู่ที่สวนสัตว์เพสการาวันเขตพระนครสูงสูงม马拉คีระเขตแขวนพักฆะชนบทครั้งนั้นที่สุดทั้งหลายเทน้ำล้างบาซึ่งมีเมล็ดข้าลงในละแวกบ้างใกล้กับกระนุท่าประสาชาวบ้านพังเพ่เท่าดีเตรมพุทธนาว่า ขณะพระสมณะเชื้อสาบปัสกยบุตรจึงได้เทน้ำล้างบาซึ่งมีเมล็ดข้าลงในละแว่าง บ, บ้านพวกเขา เ, ล, าา เ, ล, าเลือกบริโภคการเหล้าเรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้านะสรุปเลยนะพระดวงก็เบสคาตรวนี้ขึ้นมานะครับนี่นครับพิสุดาสายความไม่เอื้อเฟื้อเทน้ําล้างบาซึ่งยังมีเมล็ดข้าลงในละแวง บ, บ้านต้องบัด ท, ทุกตกครับต่อไปนะครับเอาถึงแค่นี้นะ มาดูคุณครับคำอธิบายนะในกลางขาหน้า่าหัดสองร้อยเจ็ดสิบปครับโอ้โทำไมสั้นจริงี <c oughs> ่ข้อที่ห้าสิบสองห้าถึงห้าสี่นะครับไอ้ซูซู๊ดทำไมอธิบายแล้วนะถือว่าว่าไปแล้วนะครับอันนั้นไม่ยากอธิบายหัตถะนิเลยัดการที่สิขาบนเกี่ยวกับการเรียมือเป็นต้นนะครับในสิขาบนที่สิบหกคำว่า หัตถะนินเลยหักะแปลว่าฉันเลียมือนะครับจึงอยู่พิสุกําลังฉันข้าวอยู่ยาเลียเพียงแค่นิ้วมือไม่ขวดไม่ขวรไม่ได้นะครับอันนี้นะ <c oughs> แต่จะเอานิ้วมือนะครับหยิบข้าวยาคูแค่นน้ําอ้อยงบและข้ามัถุปลายาเป็นต้นสอดนิ้วมือเข้าไปในปากย่องขวดนะะ <c oughs> เนี่ยนะหยิบไปเลยใช่ไหมข้าวยาคูแค่นแข็งน้ําอ้อยงบหรือมัทถุปลายาเป็นต้น คืออาหารที่เขาสามารถใช้มือหยิบมาฉันได้ครับมือก็เข้าไปในปากบากใช่ไหมมาจะเลียโดนม้างนี่ไม่เป็นไรนะครับแม่ในสิขาบทที่ยี่สิบเจ็ดนะครับถึงยี่สิบแปดก็มีนายเดียวกันเพราะฉะนั้นพิะสูตรจะเอานิ้วแม่นิ้วเดียวขอดหมาไม่คูดอ๋ะสมัยก่อนใช้แค่นิ้วนะอ่าจะฉันใช้นิ้วมือใช่ไหมครับไม่ได้เขาใช้ช้อนนะครับยิ่งช้อน ม, มีเสียงดังมากเลยนะ แม่ลิมฟีปากข้างหนึ่งก็ไม่ควรเอาลิมเรียนะครับแต่จะแม่ลิมฟีป่าให้อาเม็ด ท, ที่ติดอยู่ที่ลิมฟีปากเข้าไปข้างในครว น, นีครับอันนี้ก็คำที่บายนะเพิ่มเติมมีอะไหมครับมีอะไหได้เขาย้ายเพิ้มเติมก็ไม่มีอะไรนะครับลิมฟีปากนี่ก็อธิบายเหมือนกันเลยนะที่บาเหมือนกันเลนะย บอกว่าเนี่ยแปลกนะพิสุท์จะเอามือขอดบ่าและใช้ลิ้มเรียนฝีปากในยาคูแค่นเป็นต้องสมควรอยู่นะครับบอยาคูแค่นนี่ได้นะครับง่ายนะครับต่อไปนะครับข้อห้าสิบห้าอธิบายสามมิศรรสิกขาบทในสิกขาบทที่19คําว่านาสามิเศนะนะครับ พระหน้ามือเปื้อนอามิ t h อันี้มือผ้าเจ้าทรงตักห้ามเปื้อนของหน้าเกียดสกปรกใช่ไหมมือเราเปื้อนไปจับแก้วน้ำก็อีกนะครับเพราะฉะนั้นสังก็ดีขันน้าก็ดีภาชนะก็ดีทีเป็นแก้วน้ําขันน้ําเท่านั้นนะนะที่เป็นของสงของบุคคลของคลุห่หะหรือเป็นของตนนะครับไม่ควรเอามือที่เปื้อนจักนะครับเมื่อจับต้องบรรทุกโกรธโดนเลยนี้ แต่ถ้าบางส่วนมือไม่เปื้อนอามิดจะเอาส่วนนั้นจับก็ขนะูดที่ว่านะตรงนี้ครัตรงไหนก็แล้วแต่ที่ไม่เปื้อนนะจับได้ในสุขาบนนี้มีอาณาบัตรเพิ่มขึ้นมาอีกคือพิสูจคิดว่าจะละ้างนะครับจะให้ล้างแล้วจับคาชนะไม่ต้องอาบัตรเราได้ข้อที่นะครับไอ้นี้ดูคำอธิบายนะมีอะไรเ่มเติมหรือเปล่ไม่ไมีอืั เหมือนกันอธิบายสอบแสงะนะมมีปัญหาอข้อที่ห6อธิบาย ส, สัจจคติกสิขาบทในสิขาบทที่10 30มมีอานาบาเพิ่มเข้ามาอีกคือพี่พ่สุกเก็บเมล็ดข้าวออกก่อนนะครับแล้วเท น, น้ำก็ดีหน้าใช่ไหมซาวเมล็ดข้าวที่จะ น, น้ำทิ้งไปนะครับครยิมเมล็ดข้าวให้ละเอียด น, นะครับ ไปน้ำแล้วเทก็ดีนะให้ละเอียดการเป็นน้ำก็เทเทใส่กระถมก็ดีไม่เป็นไรหรือเอาไปเทเสียข้างนอกก็ดีไม่ต้องอาบบัตเอาไปเทนอกบ้านไปเลยนะครับห่อกระมาที่ว่านห่อขระนาทที่ชู้แล้ก็มาทิ้งนะไม่มปัญหานะครับแล้วก็มาล้างบัตที่บัตรว่านเลยดีให้โยมล้างบัตรให้ไปเลยนี่ก็ตัดปัญหาไปได้ครับนบรรดาบทเหล่านั้นคําว่าอุทลิตตะวานคือ ซ้ำเมล็ดข้าวสุก ข, ขึ้นจากนะนะครับกรองไว้ที่แห่งหนึ่งแล้วค่อยเอาไปเททิ้งนะครับคำว่าพินิจตะ ว, วานี่แก่ขยี้นะเมล็ดข้าวสุกทําให้เหลวนะครับแล้วเททิ้งเสียไม่เป็นไรครําว่าปฏิเทศต ว, วาวาลับรับประโถนไว้แล้วทิ้งเมล็ดข้าวสุกกระถนได้นะครับบอกว่าเนี่ยลิต ว, วาได้แก่นําออกไปข้างนอกนะครับได้าเทที้งข้างนอกไปเลย ทสูบพูดถึงอย่างนี้ไม่ต้องอาบัตรเพราะว่าถ้าไปเที่ยวที่บ้านเขาเนี่ยมันเล่นข้าวมันเกลือนใช่ไหมมันดูสกรปรกนะล้างบานนั้นก็สามาหลายบานรูปนั้นรูปนี้รูปนู้นหลายบานใช่ไหมมันก็ดูเกลือนสกรปรกแล้วบ้า น, านะครับไม่ได้นะจบการอธิบายสุด ข, ขั้บทที่เกี่ยวกับการฉันทั้งสาสิบข้อนะครับไว้ห้าสิบหข้อในี่ใกล้นะครับเดี๋ยวดูนะมีอะไรเพิ่มเติรับ เจ็บเมื่อไรข้าวออกก็เหมือนกันนะครับงั้นจะไงรถไฟมาดิ